เรื่องให้ดื่มเปรียงหนึ่งเรื่อง1 9 2สมัยนั้นบุตรมือเท้าด้วนคนหนึ่งพวกหมูญาติช่วยกันดูแลอยู่ในเรือนภิกษุรูปหนึ่งได้กล่าวกับพวกญาติของบุรุษนั้นว่าท่านทั้งหลายพวกท่านอยากให้บุรุษคนนี้ตายไหมพวกเราอยากให้เขาตายเจ้าข้าถ้าเช่นนั้นจงให้เขาดื่มเปรียงหมูญาตินั้น